สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตยเยซู ต, ตอนที่สี่รอยยี่สิบแปดเรื่อง <c oughs> พระวิญญาณกับผู้เชื่อหลังจากที่คนคนหนึ่งกลับใจนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทําพระราษกิ์อย่างต่อเนื่องในชีวิตของเขาพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องราวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเคลื่อนไหวและกระทาพระสาทธิ์ของพระองค์ ที่บนตัวขององค์พระเยซูคริสต์ในวันนี้เราจะมาดูถึงภารกิจหรือพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้กระทำในชีวิตของพวกเราผู้เชื่อทุกคนนับตั้งแต่ยุคแรกของคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อย่างต่อเนื่องด้วยความสัตด์สื้อด้วยการรักษาสิ่งที่พระเยซูได้ทรง ส่งหรือมอบภารกิจให้พระองค์ได้ส่งกระทํามพระวิญญาณทรงกระทําภารกิจอย่างต่อเนื่องในชีวิตของผู้เชื่อในหลายลักษณะด้วยกันครับแต่ในเช้าวันนี้ <c oughs> จะพูดนะครับอย่างน้อยสี่ลักษณะด้วยกันครับประการแรกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเติมเต็มชีวิตของผู้เชื่อ ที่เรียกว่าการเต็มหรือการเตี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ผู้เชื่อนั้นได้รับคำสั่งให้เติมเต็มหรือ filled with the spirit หมายความว่าเต็มด้วยนะครับพระวิญญาณในฉบับภาษาไทยของพระคมพีบางเวอร์ชันนั้นก็แปลว่าประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับประกอบด้วยพระวิญญาณกับการ เ ต, ต็มด้วยพุิญญาณหรือการเติมเต็มด้วยพุิญญาณก็เท่ากับภาษาอังกฤษว่า f i e l d นะครับ f i l l e d field with the Holy Spirit พุิญญานนั้นทรงสถิตยอยู่กับผู้เชื่อเมื่อเขากลับใจแต่หลังจากนั้นพระุิญญาณองค์เดียวกันนี้ก็จะทรงควบคุมชีวิตของผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วกลับใจแล้วต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต วิญญาณก็จะเดเข้ามาประทับอยู่เมื่อเราอัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตนั้นหมายความว่าเรากําลังอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะการประทับของพระเยซูนั้นประทับอยู่ในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ควบคุมดูแลชีวิตของคนนี้ไม่ว่าเขาจะดําเนินชีวิตนะครับหรือว่าเขาจะกระทําสิ่งใดๆก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ในทรงทราบทรงดูแลทรงเอาใจใส่ทรงควบคุมบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์นะครับก็เป็นหลักฐานของพระสกิตขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัวคือการเต็มด้วยพระวิญญาณนั่นเองเช่นเจ็ดคนที่ทำหน้าที่บริการในขึ้นจากเยรูเซมยุคแรกและบรนบัสก็ล้วนแต่เต็มด้วยวิญญาณเหตุการณ์วันเพนเทคสเต ดูเหมือนการสถิตอยู่ด้วยและการเต็มด้วยพุ่งยานเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันครับซึ่งประสบการณ์แรกดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่คงอยู่ตลอดไปนั่นก็คือเหตุการณ์วันเทนเทคเซสมระสบการณ์หลังครับเป็นวิถีชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพุญงานบริสุทธิ์เสมอเพียงที่น้องครับการแบบมาด้วยพุ่งยานบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์แรกเมื่อคนคนหนึ่งกลับใจใหม่ หลังจากที่คนนั้นกลับใจใหม่แล้วนะครับประสบการณ์ที่สองหรือประสบการณ์ประกันหลังนั้นเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพ ญ, ญานเสมอเพราะนั้นการเติมเต็มด้วยพ ญ, ญาณนั้นอาจจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับประเภทแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นการเติมเต็มด้วยพญญาณแบบทั่วไปกล่าวคือเป็นการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณและการเป็นผู้ใหญ่ในพระคัมภี์ ชนิดเพศหนึ่งครับก็เป็นการเต็มด้วยพุ่งยามสุดเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวข้องกับการทรงนำพิเศษของพระเจ้าเช่ขนขณะที่เปโต้เทศนาด้วยพุ่งยาณแท้จริงเปโต้เต็มด้วยพุ่งญาณก่อนเขาเริ่มเทศเพราะเขาไม่มีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของพุ่ญญาณเหตุการณ์นี้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่สี่ข้อแปดบทที่สี่ข้อสามสิบเอ็ดและบทที่สิบสามข้อที่เก้าชัดเจนมากครับ แท้จริงเปตเติมตเต็มด้วยพลังงานโริสุดก่อนเขาเริ่มเทศแล้วเพราะเขามีชีวิตยอยู่ภายใต้การควบคุมของพู้วิญญาณครับแต่เมื่อต้องอยู่ในเหตุการณ์คับขันเขาก็รับการเต็มล้นด้วยพลัญญานในลักษณะที่พิเศษนะครับและไม่จําเป็นต้องซ้ําแบบไข่ด้วยที่น้องครับเราเห็นนะครับว่าชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นพลังญานโดยสุดกระทําหลายสิ่งครับที่เป็นสิ่งแรกก็คือเรา เต็มล้นด้วยพระวิญญาณประการที่สองครับพระวิญญาณทรงนําพระวิญญาณทรงนําชีวิตของผู้เชื่อในขณะที่ผู้เชื่อได้รับคําสั่งให้ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับในพระวิญญาณเพราะสิ่งนี้ครับจะช่วยให้ผู้เชื่อนั้นไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังและช่วยให้เราพ้นจากการเป็นทาสของธรรมบัญญัติพี่น้องครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากพระเยซูได้ประคาาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะนําชีวิตของเราทั้งหลายครับและเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ครับเพราะเราจะไม่ต้องตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังในการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้เรานะครับสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทําบาปได้ในขณะเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะพ้นจากการตกเป็นทาสของธรรมบัญญัติ เพราะไรครับเพราะว่าในขิจักยุคแรกนั้นเขามีความชื่นชมในดีที่อยู่อยู่ภายใต้าการทรงนำของพระวิญญาณในด้านต่างๆนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราถูกกลมเฮงเราต้องของการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าสู่ภาวะวิกฤตต่างๆในชีวิตเราก็ต้องของการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทรงแต่งตั้งทรงจัดสินเยอะแยะมากมายครับนะครับ ส่งลงวินัยในกิจการบทที่ห้าข้อเก้าและส่งห้ามนะครับห้ามไม่ให้ไปทางนี้ให้ไปอีกทางหนึ่งที่น้องครับกิจการบทที่สิบหกข้อหกนั้นชัดเจนครับในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับเขารับเชื่อพจน า, านั้นเติมเต็มเขาให้แบบสมาเขาแล้วก็พระองค์ก็ส่งนําเขาให้เขาเดินในทางของพระองค์มีชีวิตที่มี ความบริสุทธิ์ครับมีชีวิตที่แตกต่างนี่คือการทรงนำของผู้วิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สามครับผู้วิญญาณบริสุทธิ้นั้นทรงให้อำนาจให้อำนาจที่ผู้เชื่อสามารถทำสงครามกับความบาปสามารถทำสงครามกับมารซาตานสามารถต่อสู้กับความบาปพีป่น้องครับความบาปนั้นต่อสู้กับผู้วิญญาณและพู้วิญญาณก็ต่อสู้กับความบาปครับฉะนั้นในฐานะให้เราเป็นเครื่อเตียนเราได้รับชัยชนะ ได้นะครับเราจะได้รับชัยชนะได้ก็เนื่องจากพระวิญ ญ, ญาณของพระเจ้านะครับได้กระทําด้วยฤทธิอานาจของพระองค์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นเคล็ดลับแห่งชัยชนะครับและนี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพมพีเดิมสมัยพมพีใหม่และในยุค ข, ของเราทุกวันนี้นเสขลียาบทที่สี่ขที่หกด้บันทึกว่ามิใช่ด้วยกําลังหรือด้วยฤทธิ์ชา แต่โดยพระวิญญาณของเรานี่คือคำสัตร์ของพระเจ้าจอมโยถานะครับไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านอกจากนี้นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นก็จะทำให้เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราซึ่งบันทึกอยู่ในกาลเทียบที่ห้าข้อยิบสองทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยดีนะครับมาถึงตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเติมเต็มเรา พ ร, ญญญรรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนําเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพระราานอํานาจนะครับให้กับเราในการต่อสู้กับความบาปในการที่มีชีวิตยอยู่เหนืออํานาจของความบาปหลุดพ้นจากการผูกมัดทั้งหลายและสุดประการสุดท้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสอนเราเปโูรญญทรงสัญญาว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานั้นพระองค์จะทรงนําพวกสาวกไปสู่ความจรงิง อันนี้บันทึกไว้อยู่พระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่ข้อยี่หกครับฉะนั้นผู้เชื่อทุกคนนั้นจึงมีผู้วิญญาณพี่น้องครับผมและพี่น้องนะครับผมและท่านทั้งหลายมีพระวิญญาณแล้วหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นการสำแดงพิเศษนะครับเพิ่มเติมหรือความเข้าใจพิเศษเพิ่มเติมมีอีกได้ไหมครับพี่น้องลองเปิดดูในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อยี่สิบ นะครับและข้อยี่สิบเจ็ดเราจะเห็นว่าไม่ยําเป็นต้องมีการสำแดงพิเศษเพิ่มเติมหรือความเข้าใจพิเศษอะไรอีกเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ดนใจผู้เขียนพระกัม ภ, ภีพระองค์นั้นสามารถให้ความกระจายแก่จิตใจของเราทั้งหลายให้เราเข้าใจพระกัม ภ, ภีได้พระองค์จะสอนเราทั้งหลายให้เราเข้าใจนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณจะเปิดเผยสำแดงให้กับเราครับ นะครับในการที่จะเข้าใจพระจนะของพระเจ้าเข้าใจความจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แอบอ้างว่ามีการสำแดงพิเศษหรือความเข้าใจพิเศษนะครับในลักษณะที่ผิดไปจากพระกัมพีนั้นพี่น้องครับเราต้องตรวจสอบครับว่ามาจากเนื้อนหนังของตัวเองหรือมาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ทั้งพระเจ้า ทังเนื้อหนังก็คือมาจากมาราตานครับพี่น้องครับนอกเหนือจากที่ผมได้แบ่งปันมาแล้วกล่าวมาแล้วนั้นพุ่นญาณยังทรงให้อํานาจอธิปไตยนะครับในการประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้เชื่อครับนะครับยังทรงอํานาจอธิปไตยในการประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้เชื่อพุ่นญานเองนั้นก็ยังทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายเพื่อเป็นผู้เชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระิญญาณของพระเจ้าทรงกระทําพระสกิตอันประเสริฐในชีวิตของผู้เชื่ออย่างเ่าแบบนี้เราจึงรับการเตือนสติที่จะไม่ทําให้พริญญาณเสียพระไถยครับนะครับเราจะต้องไม่กระทําให้พิญญาณเสียพระไถยโดยการทําบาปเราจะไม่ทดลองพระวิญญาณโดยการมุสาเราจะไม่ดับพระวิญญาณโดยการหยุดพระสกิจของพระองค์เราจะไม่ดูหมิ่นพระวิญญาณโดยการขัดขืนพระสกิจการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซู เราจะต้องไม่ต่อต้านพระวิญญาณโดยการปฏิเสธการทรงนำของพระองค์และนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อามน